เชิญท่านสาธุชนสดับฟังประธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเทรัชหลวงพ่อชาสุพัโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องปกเข้านั่งเฝ้ากอบ เราเป็นผู้มีบุญวาสนามากเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเราจะได้พบท่านก็ยากเมื่อพบท่านแล้วจะได้ฟังธรรมท่านก็ยากได้ฟังธรรมแล้วจะได้บวชปฏิบัติอยู่ใกล้ท่านก็ยากหรือแม้แต่บวชแล้วจะมีศรัทธาก็ยากก็ลำบาก ท่านว่าอย่างนั้นผู้บวชแล้วเข้าไม่ถึงพระพุทธเจา้าก็มีนะอย่านึกว่าถ้าบวชแล้วจะได้เข้าใกล้พระพุทธเจา้าถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเข้าใกล้พระพุทธเจา้าให้พากันเข้าใจดังนั้นผู้รู้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ให้รู้แจ้งแปลงตลอดนี้จึงหาได้ยาก บุคคลที่มีเจตนามีศรัทธามาสอนพวกเราให้เกิดความรู้ความเห็นในความดีความชั่วในบุญในบาปนี้ก็ยากและจะได้ฟังธรรมของท่านนั้นก็ยากอย่างเราฟังธรรมกันโดยทั่วไปทุกวันนี้ก็ฟังแต่นิทานพื้นบ้านเรื่องกาะเกตบ้างสินชัยบ้าง แปงอ่อนแปงแก่บ้างฟังกันเล่นเล่นอันนั้นไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นนิยายฟังกันสนุกเฉยๆถ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามันได้บุญนะได้ในปัจจุบันนี้นี่แหละธรรมที่จะสอนสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่ง่ายถ้าคำสอนใดไม่เป็นไปเพื่อหายพยศลดมานะละ ความชั่วแล้วก็ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของพวกเดียรถีของพวกชาวนิครนมันไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้ระบายความทุกข์ออกจากใจไม่หายสงสัยยังไม่ถูกธรรมะผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะแล้วจะปฏิบัติธรรมนั้นยากมันยากจะได้เห็น ยากจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นควรรู้ได้ไตรตรองและเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านไม่ได้สอนต่ำสอนสูงอะไรท่านสอนพอดีสอนทำตามบุคคลเหมือนอย่างเด็กตัวเล็กมีกาลังน้อยท่านก็ไม่ให้แบกหนะักให้แบกพอดีมันก็แบกไปได้ผู้ใหญ่มีกำลังมาก ท่านก็ให้แบกสมกับกำลังของผู้ใหญ่นี้ก็ได้ประโยชน์เรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้ฉันใดพวกเราจะมีวัดวาอารามปฏิบัติอย่างนี้ก็หายากไม่มีทุกการนะโยมมีเป็นบางครั้งบางครามนานๆเราจึงจะได้พบครั้งหนึ่งบางคนบุญไม่มีวาสนาไม่ถึงก็ไม่เห็นอย่างนี้ก็มี อาตมาเห็นโยมคนหนึ่งอยู่บ้านอาตมาที่บ้านเกาะบ้านอยู่ริมวัดแกไปไหนมาไหนก็เดินผ่านวัดทุกวันแต่ไม่รู้จักอะไรแกเคยฟังเทศก็ฟังแต่แหละมะัซีแลใส่หูจนหูะหนวก็ไม่รู้จักธรรมะต่อมาย้ายบ้านไปอยู่อำเภรวานอนวาดโชคดีที่ได้ไปฟังธรรมเห็นบุญเห็นบาต เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลับมาคราวนี้เลยบวชเป็นพระแกบอกว่ามันชั่วจริงๆครับอาจารย์นี่แหละอยู่ใกล้วัดน่าจะได้บุญได้กุศลแต่ไม่รู้เรื่องสมกับที่ท่านว่ากบเข้านั่งเฝ้า ก, อ, กอบัวอยู่บนหัวกลิ่นบัวบอต้องแมนคู่ง้องบินภายแอวมา เอาเกสาดอกบัวไปจอยกบอยู่กอบัวแต่ไม่รู้จักบัวดอกบัวจะบานจะตูมจะร่วงจะโรยก็ไม่รู้เรื่องวันดีคืนดีอาจโดนด่านเสียงเคาะนี้ฉันใดตะแกคนนั้นก็เหมือนกันอาตมาเคยเทศให้ฟังว่ากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวนี่บรรพบุรุษของเราท่านว่าไวถูก อยู่ใกล้วัดใกล้วาน่าจะรู้จักธรรมะแต่ไม่รู้เรื่องเลยหนีจากบ้านไปอยู่ที่อําเภอวานนอนจึงได้ไปฟังเทศพระกรรมฐานที่โน้นนี่ท่านว่าธรรมโมจัทุลโพโลเกการที่จะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเป็นการยากการทำบุญจะถูกบุญนี้ก็ยากนี้ก็ลำบากบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับ จ, จิตใจ ก็ยากลบาบากเพราะอะไรเพราะกระจกเรามันไม่สวา่างยังไม่มีปัญญาพวกเราจงเข้าใจพระพุทธเจ้าของเราทรงเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เป็นสัตว์สาวาสิ่งขนาดนกกระจาจนโตถึงช้างหรือในระหว่างที่เป็นมนุษย์ท่านก็เป็นหมดทุกอย่างเป็นคนร่ําคนรวย เป็นคนยากคนจนท่านก็ผ่านมาได้เราก็เหมือนกันจะอยู่ป่าอยู่เขาไม่รู้จกักศีลรู้จกักธรรมก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเพราะบุญของเรามีอยู่เท่านั้นแต่เราสามารถทาดีได้ถ้าจะทามือเราก็มีร่างกายเราก็มีตาหูเราก็มีได้เห็นได้ยินได้ฟัง มีปู้แนะนำปรัมสอนอยู่นี่เรียกว่าสะสมทุนของเราคือเราจะลงมือทำมาค้าขายวันไหนก็ได้เพราะสมบัติเรามีแล้วมีสมบัติแล้วมีเครื่องรับแล้วเมื่อได้ของไม่ดีเราทำให้มันดีได้มันผิดทำให้ถูกก็ได้มันแก้ได้ พระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายก็ดีท่านไม่ได้เป็นพระอระหันต์มาก่อนท่านเคยเป็นชาวไร่ชาวนาขี้เล่าเมายาเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยน่าเหมือนกันคือยังไม่รู้จักบาป บ, บุญคุณโทษคนไม่รู้จักก็ทําอะไรได้ทุกอย่างแต่เมื่อรู้แล้วท่านก็เลิกท่านก็ละถอนออกมาได้ ฟังคำแล้วเข้าใจรู้นั่นรู้นี่ตรัสรู้ธรรมะได้เรื่องตรัสรู้ธรรมะเราได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะก็นึกว่าเป็นเรื่องของท่านทุกอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องของเราทุกคนก็ได้อันไหนรู้แล้วละนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของเรา เหมือนเราเคี้ยวกินอะไรบางอย่างรู้สึกคันรู้แล้วก็ขายทิ้งความรู้ชนิดนี้แหละผู้ทุชนเราควรรู้เหมือนหัวกลอยเมื่อรู้ว่ามันคันกินไม่ได้เรายังจะกินอยู่หรือก็มีแต่จะทิ้งเท่านั้นมันรู้อย่างนี้แหละทีนี้รู้ซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันผิด ไม่เป็นประโยชน์เดือดร้อนทั้งแก่ตนและผู้อื่นพิจารณาแล้วรู้ได้นี่เรียกว่าความรู้อันหนึ่งถ้ามันรู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรสามารถคลี่คลายจิตใจของเราได้อย่างเราจะทําดีใครว่าไม่ดีอย่างไรเราก็ไม่ทิ้งเราทําถูกอยู่ใครว่าผิดเราก็ไม่ทิ้งเราไม่บ้าเขาว่าบ้า เราก็ไม่ทิ้งไปเป็นบ้าอย่างเขาว่าแต่คนเราชอบทิ้งเจ้าของเราไม่บ้าเขาว่าบ้าก็โกรธเลยเป็นบ้าอย่างเขาว่าเราทำดีเขาว่าไม่ดีไปโกรธเขาเลยไปเอาของไม่ดีกับเขามันทิ้งเจ้าของอย่างนี้แหละไม่รู้ตามความเป็นจริงของเจ้าของภาษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้น ก็สอนให้แกพวกเราทั้งหลายนี่แหละพวกเราที่เป็นปุถุชนให้เป็นอริยะชนเหมือนเราจะสร้างบ้านเรือนเราก็ต้องหาสิ่งที่ยังไม่สำเร็จจะเป็นเสาเป็นคือเป็นแแป่มันไม่ได้สำเร็จมาเลยทีเดียวหรอกเราต้องไปแปลงสภาพมันขึ้นมาเสาเรือนก็ดีเดิมเกิดจากไม้ที่มันยาวมันคดอยู่ซึ่งรวมอยู่กับต้นไม้นั่นแหละ เราต้องไปเลื่อยไปแปรรูปออกมาคนฉลาดก็สามารถนํเ อ, อกมาสร้างบ้านเรือนได้เราก็เหมือนกันยังเป็นปุถุชนอยู่มีลูกมีเมียมีอะไรต่างๆเป็นธรรมดาของโลกแต่ถ้าเรารู้จักการภาวนารู้จักธรรมะและ้วก็สามารถระบายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดออกได้ไม่วันนี้ก็พรุ่ง น, นี้ไม่น้อยก็มาก เหมือนกับเราแบกของหนักเมื่อเอาไปทิ้งไปทีละน้อยทีละน้อยทิ้งบ่อยๆมันก็เบาได้เมื่อทิ้งไปทิ้งไปผลที่สุดก็วางหมดเหมือนกับเราแบกไม้ฟืนนั่นแหละเมื่อถึงกระท่อมก็ทิ้งโครมเลยมันก็เบาเห็นไหมละ่ะนี่ความเบาเป็นอย่างนี้ความชั่วทั้งหลายที่เรานำมาให้หนักใจเรา เราค่อยๆฝึกหัดปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจมันก็ค่อยสว่างสวยัยของยากก็เลยกลายเป็นของง่ายของมืดมันก็สว่างของสกปรกมันก็สะอาด ร, รู้จักหลักประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นรู้เรื่องอย่างนั้นคือธรรมะถ้าไม่รู้เรื่องท่านบอกว่าอนิจจงทุกขังอนัตตา อย่างนี้เราก็ไม่รู้อะไรคนเราถ้าไม่ได้อบรมธรรมะก็เหมือนกับนักมวยที่ไม่ได้ซ้อมหรือเหมือนหมอลำที่ไม่ได้เรียนถึงเวลาก็ขึ้นเวทีเลยจะเป็นอย่างไรจะน่าฟังไหมจะน่าฟังได้อย่างไรเพราะไม่ได้ท่องกรอลลำเลยมวยไม่ได้ซ้อมก็เช่นกันพอขึ้นเวที ผู้ชคเขาก็จะเลือกชกเอาตามใจชอบนั่นแหละฉันใดเราอยู่กับลูกหลานกับสิ่งของสกลร่างกายล้วนแต่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงวันนี้เสียไปพรุ่งนี้ได้มาวันนี้ดีใจพรุ่งนี้เสียใจมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอนิจจัง มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนทั้งภายนอกภายในสกลร่างกายไม่แน่นอนทั้งนั้นวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจเจ็บโน่นปวดนี่ก็ได้มันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่เข้าใจก็น้อยอกน้อยใจในสิ่งเหล่านี้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้อัจชริตาธรรมมาทำภายในของภายในคือสกลร่างกายของเรานี้ บางทีเจ็บโน่นปวดนี่เจ็บขาปวดท้องมันไม่แน่นอนพหิท่าธรรมมาทมภายนอกคือของผู้อื่นหรือสิ่งของต่างๆเช่นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นพวกเรามีทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็เหมือนกันถ้าพูดไม่ถูกใจก็โกรธ ถ, ถ้าพูดถูกใจก็หัวเราะ เอามะขามปรีโยวมาให้ทานก็หลับตายีเหมือนกันทุกคนนั่นแหละถ้าหวานก็หวานเหมือนกันมันเหมือนกันโดยสันฐานลักษณะจิตใจนี้ก็เหมือนกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละที่เราอาศัยอยู่เคยรู้เรื่องแต่คนเราไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ของเราอันนั้นของเขาอันนี้ของฉันอันนั้นของคุณ เกิดเรื่องเกิดเปล่าจนยิงกันฆ่ากันความจริงมันไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อยังอยู่ก็ทำมาหากินไปผลที่สุดแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปหรอกตอนมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาเวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปทำมาไว้ตรงนี้ก็ถิ้งตรงนี้ถ้าคนรู้จักธรรมะแล้วก็ผ่อนผันได้อาภัยกันได้บางสิ่งบางอย่าง ผู้ไม่รู้อะไรก็เอาแล้วไม่ยอมกันอาตมาเคยเห็นหมาตัวหนึ่งเอาข้าวให้มันกินมันกินแล้วกินไม่หมดมันก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นอิ่มจนกินไม่ได้แล้วก็ยังนอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละนอนซึมประเดี๋ยวก็ชำเลืองตาดูอาหารที่เหลือถ้าหมาตัวอื่นจะมากินไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็ขู่อ๋อ ไก่จะมากินก็หงหงหงงหงท้องจะแตกอยู่แล้วจะให้เขากินก็ไม่ได้ห่วงไว้มาดูคนก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักธรรมะธัมโมก็ไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่โทกิเลสผิโลภโทสะโมห์เข้าครอบงาจิตใจแม้จะมีสมบัติมากมายก็ห่วงไว้ไม่รู้จักเฉลี่ยเจือจาก แม้แต่จะให้ทานแก่เด็กยากจนหรือคนชราที่ไม่มีจะกินก็ยากอัตมามาคิดดูว่ามันเหมือนสัตว์จริงเนางคนพวกนี้ไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์เลยพระพุทธองค์ตรัสว่ามนุษย์ดิรัจฉาโนมนุษย์เหมือนสัตว์ดิรชานเป็นอย่างนั้นเพราะขาดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้พากันมีศีลความมีศีลดีอย่างไรบางคนว่ามีศีลแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานก็คือเรื่องความสุขหรือความดีทั้งหลายถ้ามีศีลธรรมแล้วอยู่กันสบายไม่ก่อกวนไม่สร้างความเดือดร้อนใส่หมู่ใส่คณนะใส่บ้านใส่เมือง ใส่พี่ป้าน้าอาใส่เจ้าใส่นายบ่าวไพร่าราษดรไม่มีถ้าเรามีสิธรรมก็อยู่เย็นเป็นสุดสมกับที่พระท่านว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีหลังวิโสทะเย เวลาให้ศินสุดท้ายท่านสรุปอย่างนี้พวกเราว่าม้วนศีนคือสรุปหรือบอกอานิสงส์ทำไมจึงว่าม้วนสีนก็เหมือนเราสารตะกร้านั่นแหละสารแล้วเราก็ม้วนขมวดปากมันแล้วทำหูใส่ทำสายใส่สีเลนะสุขติมยันติจะมีความสุขเพราะศีน มีความสุขเพราะทำถูกนายจ้างกับลูกจ้างมีความซื่อสัตย์ต่อกันหรือบ่าวไพร่ราษฎรพี่น้องก็ซื่อสัตย์ต่อกันมันก็สบายเท่านั้นสีเลณโพคสัมปทาสมบัติทั้งหลายก็มีขึ้นมาถึงมีน้อยก็สบายมีหลายก็ไม่ลําบากไม่แก่งแย่งกันนี่คือความสบาย ถ้าพูดถึงศีลเอากระเป๋าวางไว้ริมทางก็ไม่หายของอยู่บ้านก็ไม่หายสบายถ้าคนไม่มีศีลหล่ะอยู่ในกระเป๋ากางเกงมันยังแย่งเอกเลยคนแก่ขึ้นรถไฟเอาสตางใส่กระเป๋าเสร็จพวกนั้นคนแก่ตกรถเลยนี่ทาไมมีศีลมันเดือดร้อนอย่าง มันเป็นทุกขติงยันติไม่ใช่สุขติ้งยันติทุกเพราะเบียเดเบียนกันกูเอาของมึงมึงเอาของกูท่านว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโคขสัมปทาเพราะฉะนั้นผู้มีน้อยก็สบายตามน้อยผู้มีมากก็สบายตามมากเหมือนสัตว์หรือแมลงบางจาพวกมีสองขาเท่ามนุษย์นี่ก็สบาย มีสี่ขาก็สบายมีหลายขาเหมือนจิ่งกือมันก็สบายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีสีมใครมีมากก็สบายใครมีน้อยก็สบายจะไปหาที่ไหนกันละ่ะไม่ใช่ชาติหน้าไม่ใช่ชาติไหนชาติปัจจุบันนี้แหละถ้าพากันสร้างบุญสร้างกุศลคือสร้างจิตใจของตน คนทุกวันนี้สร้างบุญไม่รู้จักว่าบุญอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องพากันไปทำบุญก็ไปเลื่นเริงสนุกสนานกินเหล้าเมายาก็เสร็จกันแค่นั้นสนุกเท่านั้นบุญกุศลคือความดีไม่ก่อกวนไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายดังนั้นจึงว่าเราไม่เคยได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเลย เวลาของหายลูกตายเมียตายจึงพากันร้องไห้ตาเปียกตาแฉะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้ฝึกไว้ไม่ได้ซ้อมไว้ไม่รู้ว่าของมันเกิดได้ตายได้มันหายเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะดูสิบ้านไหนเมืองไหนมันก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านให้มาภาวนา ภาวนาคืออะไรคือมาทันจิตใจให้สงบซะก่อนปกติใจมันมีอะไรหุ้มห่ออยู่เป็นใจที่ยังเชื่อไม่ได้ถ้ามาทำให้สงบแล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาใจมันก็สบายสงบมันจะแสดงอะไรออกมาเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณ มันจะค่อยพิจารณาไปเกิดความรู้ว่าอันนี้มันพาดีพาไม่ดีพาผิดพาถูกท่านให้พิจารณาอันนี้ก่อนเรียกว่าสมถภาวนาเมื่อใจเราสบายมันสว่างมันขาวมันสงบความนึกคิดที่จิตใจก็สบายขึ้น มันต่างจากความนึกคิดของคนที่ไม่สบายใจมีความโลภความกโกรธความหลงอยู่ในใจคือคนนึกคิดไม่ดีใจไม่สบายคิดไปทั่วคิดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคิดไปซาระพัสคิดแต่เรื่องไม่สบายนั่นแหละถ้าใจสบายละ่ะคิดไปไหนก็มีแต่เรื่องสบายเรื่องสุกเรื่องระงับ มีแต่เรื่องเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถ้าจิตใจมันเป็นแล้วก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านจึงให้พิจารณาเรียกว่าภาวนาอย่างพวกเราทั้งหลายที่พากันทำวันนี้บางคนอาจไม่เคยทำเลยเคยแต่ไปเรียนเอาคาถากับคนนั้นคนนี้ได้คาถาแล้วก็ไปภาวนาให้พ่อให้แม่ให้คนโน้นคนนี้สัตว์โน้นสัตว์นี้ ให้ตนเองไม่มีตนไม่มีความดีแต่จะให้ความดีแก่คนอื่นจะเอาความดีที่ไหนไปให้เขาอย่างเราจะภาวนาให้พ่อแม่หรือใครก็ตามทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วเบื้องแรกเราต้องภาวนาให้ตัวเองก่อนเพื่อชำระความชั่วออกจากจิตใจ ให้ความดีปรากฏขึ้นในตัวเราต่อจากนั้นจึงแผ่ความดีที่ตนมีตนได้ให้แก่คนอื่นอย่างนี้จึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่าให้ทั้งๆ ท, ที่ตนเองไม่มีนี่คือความเข้าใจผิดภาวนาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นมีขึ้น ที่ไม่รู้ทำให้มันรู้ที่ไม่ดีทำให้มันดีใจเป็นบาปเป็นกรรมทำให้เป็นบุญเป็นกุศลการสร้างบุญไม่ใช่ทาโดยการให้ทานอย่างเดียวการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการฟังทําเหล่านี้เป็นบุญทั้งหมดเป็นเหตุที่จะให้บุญเกิดบางคนจะทำบุญแต่ละทีก็คอยแต่จะให้มีเงินมากๆซะก่อน เลยไม่ได้ทำสักทีเห็นคนอื่นทำก็อ่อนซอนกับท่านคิดว่าเพิ่มบุญหลายนอ้อคนไม่รู้จักบุญไม่ใช่อย่างนั้นการละความชั่วละความผิดมันก็เป็นบุญแล้วการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังพระธรร ม, มเทศนาทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดบุญขึ้นได้ แล้วคนเราสมัยนี้เข้าใจว่าการทำบุญคือการให้ทานเท่านั้นเพราะส่วนมากได้ยินพระท่านเทศน์เรื่องทานบารมีทานอุ ป, ปบารมีทานปรมตทบารมีแต่ไม่ได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจคนส่วนมากจึงมักเข้าใจกันว่าการทำบุญคือการนำเอาสิ่งของไปถวายพระมากๆคนยากคนจนก็เลยทำไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจภาษาบาลีดังที่กลา่าวความจริงเรื่องการให้ทานท่านแบ่งไว้สามระดับคือการสีสละสิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารมีการสละอวัยวะจัดเป็นทานอุปบารมีการสละชีวิตจัดเป็นทานปรมาธบารมีหรืออีกอย่างหนึ่งว่ายอมเสียทรัพเพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าคนรวยคนจนก็สามารถทำบุญให้ทานได้โดยเฉพาะทานที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองคืออภัยทานซึ่งทุกคนสามารถทำได้และทานชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสังเสริญด้วยดังนั้นการสร้างคุณงามความดีมีอยู่หลายอย่าง ให้พากันเข้าใจบางคนคิดว่าการทำบุญให้ทานได้ผลอานิสงมากก็ทุ่มเทใส่จนหมดเมื้อหมดตัวไม่รู้เรื่องส่วนคนรู้เรื่องมีขนาดไหนก็ใช้ไปขนาดนั้นมันอยู่ที่การกระทาถ้าทำถูกมันเป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างนั่นแหละตัวอย่างเช่นการช่วยเขาขุดบ่อน้ำริมถนนเราผ่านไปก็ได้เห็น เขาทําอะไรก็ช่วยทาถามว่าได้บุญไหมตอบว่าได้ได้อย่างไรการช่วยเขาขุดบ่อน้ําต่อไปภายหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อหนานใครผ่านมาก็ไม่ต้องซื้อกินเพราะเป็นน้ําสาธารณะให้ความสุขแก่มนุษย์ทั่วๆ่วไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างเราอยู่ศาลาก็ช่วยเขาปัดกวาดช่วยเขาถอนหญ้าเขาทําอะไรเราก็ช่วย ไปอาศัยบ้านเขาอยู่ก็เหมือนกันจะเป็นสองวันสามวันก็ต้องช่วยเขาทำในสิ่งที่เราทาได้นี่เรียกว่าบุญบุญมันอยู่ที่ใจของเราบ้านไหนมีบุญเรารู้ได้คนในบ้านรู้จักเคารพพ่อแม่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ทำอะไรก็มีความสุขมีความหมายคนไม่รู้จักบุญก็วุ่นวายอยู่นั่นห จะทําบุญแต่ละครั้งก็ต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวไม่รู้จักเสเลจริงๆบุญไม่ลําบากอย่างนั้นนะง่ายๆทําไปแล้วสบายคิดขึ้นมาตอนไหนก็สบายใจจะอยู่บ้านไหนเหมืองไหนก็สบายไม่ทะเละาะเบาะแว้งกันถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วเป็นอย่างนั้นโยมผู้ชายก็รู้เรื่องโยมผู้หญิง โยมผู้หญิงก็รู้เรื่องโยมผู้ชายคนหนึ่งโมโหอีกคนหนึ่งก็เฉยซะปล่อยซะมันก็สบายถ้าไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมก็ทะเลาะ ก, กันทั้งเช้าทั้งเย็นกูหนึ่งมึงสองไม่รู้จักหยุดผลที่สุดก็พังมันก็เดือดร้อนถ้ารู้จักศีลรู้จักธรรมไม่ต้องเถียงกันหวะพูดกันคำสองคำก็รู้เรื่องหยุด มีความเคารพกันอย่างนั้นผู้ไม่มีศีลมีธรรมก็ดันกันอยู่นั่นแหละกูสองมึงสากูสี่มึงห้าเอาตลอดทืนเลยอย่างนี้เรียกว่าหาความไม่ดีมาใส่ตัวเองคือยังไม่เข้าใจธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้วโยมผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันสบายสู้สัตว์ต่อกัน จะพูดอะไรก็พูดแต่คำจริงคำศัพท์ไม่นอกใจกันอันไหนผิดไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปอย่ากเก็บเอามาพูดมันก็จบอันนี้ไม่อย่างนั้นของเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ขุดค้นมาว่ากันจนเกิดทะเลาะ ก, กันวุ่นวายอยู่ในวัดวาอารามพระเจ้าพระสงฆ์มีความสามัคคีกันองค์หนึ่งพูดแล้วก็จบไม่มีปัญหา อยู่ในบ้านในเรือนก็เหมือนกันพ่อแม่พูดแล้วก็แล้วกันนี่เรียกว่าอานาจของศีลของธรรมถ้ามีศีล ม, มีธรรมมันง่ายอย่างนี้ศีเลนะสุขติยันติเราจะมีปัญญาพ้นจากทุกได้ก็เพราะศีลนี่แหละให้เราพิจารณาอย่างนี้เมื่อก่อนมีโยมคนหนึ่งเป็นชาวสวยมหาอาตมาถามว่า ครูบาอาจารย์ให้ข้าน้อยรักษาศีลจะให้กินอะไรอาตมาตอบ ว, ว่าก็กินศีลนั่นแหละกินอย่างไรแกสงสัยเลยบอกว่ารักษาไปเถอะเดี๋ยวก็ได้กินหรอกแกคิดไม่ออกแย่จริงๆวันหนึ่งแกมารักษาอุโบสถแกบอกว่าไม่รู้คิดอย่างไรเนาะจึงไม่ให้กินข้าวเย็น ลองกินดูก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นแต่มันอร่อยเท่านั้นแกว่าแล้วทำไมกินไม่ให้กินแกคิดไปเลยลองกินดูว่ามันจะผิดเหมือนผีเข้าเจ้าศูนย์หรือเปล่ากินดูแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรดีเสอีกแกว่าชั่วขนาดนั้นก็มีนะคนเราแกมารักษาศีลอาตมาก็เลยบอกว่าเอา ให้รักษากันจริงๆลองดูทุกวันนี้รู้จักแล้วอัตมากลับไปเยี่ยมที่ภูดินแดงสาขาที่สามแกมากราบทุกปีมาสารภาพกับอาตมาว่าโอ้ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนผมไม่รู้เรื่องจริงๆครูบาอาจารย์ว่าให้กินศีลผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้คิดได้แล้วก็กินศีลอย่างครูบาอาจารย์ว่า ทุกวันนี้เลยสับบายคนเราให้รักษาศีล ร, รักษาธรรม ก็กลัวแต่ทุกยากลําบากมันไม่ใช่อย่างนั้นศีลธรรมให้ความเบาความสบายแก่เราไม่มีโทษไม่มีภยัยคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังก็สบายถ้ามีศีลธรรมคิดไปข้างหลังความผิดเราก็รู้จักเมื่อเรารู้จักเราก็ละพวกนั้นต่อไปก็บําเพ็ญคุณงามความดีมองไปข้างหน้าก็สบายมองไปข้างหลังก็สบาย ดังนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่ความเห็นผิดถ้าเห็นผิดมีทุก ท, ทันทีถ้าเห็นถูกแล้วก็สบายพระศาสดาท่านจึงให้สร้างความเห็นการฟังเทศฟังธรรมก็เพื่อสร้างความเห็นของเราคือเรายังเห็นไม่ถูกต้องความจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันพอดีมันสม่ำเสมออยู่ทุกสิง่งทุกอย่าง เหมือนต้นไม้ในป่านั่นแหละต้นยาวก็มีต้นสั้นก็มีตรงก็มีคดก็มีต้นที่มีโพรงก็มีมีทุกอย่างมันพอดีของมันคนต้องการต้นคดก็ไปเอาต้องการต้นตรงก็ไปเอาอยากได้ต้นสั้นต้นยาวก็ไปเอามันเลยพอดีของมันในโลกนี้ก็เหมือนกันมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่รู้จักเอามาใช้ ถ้าเอามีดมาใช้ก็เอาสันมันมาใช้มีดเล่มเดียวกันนั่นแหละใช้ไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์ทำทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาไม่ถูกเรื่องก็ไม่ได้บุญไม่ได้ประโยชน์เหมือนคนสั่งทำไม่เข้าใจไม่ได้ธรรมะปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดความเห็นถูกมันก็ไม่มี ถ้าความเห็นไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็ไม่เป็นผลผลสุดท้ายฟังเทศฟังธรรมก็เลยเบื่อเพราะฟังแล้วไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้เพราะความไม่เข้าใจในธรรมะถ้าเข้าใจในธรรมะแล้วไม่มีปัญหาสบายนั่นแหละท่านจึงบอกว่า ร, รมโมจะทุนละโพโลเกการที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็ยาก คนพูดคนเทพมีเยอะที่ไหนๆก็มีไม่รู้ว่าพูดขนาดไหนคนปฏิบัติก็เยอะไม่รู้ปฏิบัติขนาดไหนไม่รู้ถูกรู้ผิดมันยากปับพชิโตจะทุนละโภฟังธรรมแล้วจะได้บวชในพระาศาสนานี่ก็ยากเหมือนกับญาติโยมจะบวชลูกบวชหลานแต่ละทีมันหาโอกาสยาก ครั้นบวชแล้วจะมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ยากดังนั้นทุกวันนี้มันจึงน้อยลงไปน้อยลงไปพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องจริงๆเหมือนกับสมัยก่อนมีประเพณีการทำต้นดอกพึ่งการทำบุญต้นดอกพึ่งเป็นความเชื่อว่า ถ้าบิดามารดาหรือญาติสายโลหิตสิ้นชีวิตไปแล้วเกรงว่าจะไม่มีที่อยู่แล้วจะได้รับความลำบากหากลูกหลานสร้างปราสาทดอกพึ่งอุทิศไปให้แล้วก็จะได้มีวิมานหรือปราสาทยู่อย่างสบายไม่น้อยหน้าใครในเทวโลกก็ทำกันไปตามประเพณีบางทีทาหมดขี้พึ่งเท่ากับปั้นนิดแต่เอาควายมาฆ่าเล่าหมดมรกี่หลัง ทำกันอย่างนี้จะได้บุญเมื่อไรถ้าสมมุติว่าเราตายลูกหลานทำต้นดอกพึ่งไปให้เราจะต้องการไหมนึกอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจนะพวกเราต้นดอกพึ่งมันจะพาไปสวรรค์ไปนิพพานได้เมื่อไรมันเรื่องเกจิอาจารย์เขียนกันขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ได้บุญหลายใครทำแล้วจะได้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เราลองมาพิจารณาดูสิว่า มันมีเหตุมีผลแค่ไหนนี่แหละคือการทำตามประเพณีใครๆก็ทำกันมาอย่างนั้นแล้วก็มักอ้างว่าทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายอาตมาว่าจะทำมาตั้งแต่สมัยไหนก็ตามทีเถอะถ้ า, ถามันไม่ถูกก็ต้องทิ้งมันทั้งหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านให้มีปัญญาคือให้รู้ตามความเป็นจริงความจริงไม่ใช่อยู่ที่การกระทาสืบๆกันหรอก ความจริงอยู่ที่ความจริงเหมือนจิตใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันไม่มีตัวรู้มันก็ทำไปตามจิตที่มันหลงนั่นแหละก็เลยกลายเป็นประเพณีถือกันมาอย่างนั้นอันนั้นมันประเพณีของคนไม่ใช่อภิยะประเพณีไม่ใช่ประเพณีของพระพุทธเจ้าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์นี่แหละท่านว่าฟังคำ แต่ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากเกจิอาจารย์เลยทำกันไปอย่างนั้นอย่างถึงเดือนห้าเดือนหกก็เหมือนกันก็ทาพิธีสเดาอเคราะห์โดยทากระทงหน้าวัวขุดเล็บมือเล็บเท้าใส่ไปส่วนมากจะทำกันตามที่มีความเชื่อว่าจะมีผีหรือวิญญาณสิงสถิตยอยู่เช่นตามทางแยกหรือต้นไม้ใหญ่ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ตรงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆวิธีทำคือ น, นำเอาต้นกล้วยมาทำเป็นกระทงสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างตามความนิยมแล้วปักทงเล็กๆไว้โดยรอบภายในมีเครื่องสังเวยเช่นข้าวดำข้าวแดงต่อจากนั้นก็เชิญหมอผีหรือคนทรงมาทำพิธีสวดเส้นผีหรือวิญญาณมันไม่ถูกหรอก เหล่านี้มีแต่เรื่องนอกรีบนอกร้อยคนอื่นทำก็ทำกันเลยไม่รู้เรื่องนี่แหละเพราะไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไปฟังแต่อย่างอื่นล้วนแต่ทาแล้วไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่มีความหมายอะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเนื่องมาจากการฟังท่านจึงให้ฟังเหตุปัจจัย อารัมมณปั จ, จโยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งต่างๆมีเหตุมีปัจจัยถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเหตุถูกผลก็ถูกเหตุไม่ถูกผลก็ไม่ถูกให้ดูเหตุของมันผู้มีปัญญาก็ตรัสรู้ธรรมะเราต้องพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ เหมือนที่กล่าวมานั่นแหละการทำต้นดอกพึ่งนั้นจะกันนรกเอเวขีได้ไหมหาตมาว่าถ้าไม่หยุดทำความชั่วแล้วมันหยุดความผิดไม่ได้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ถ้าเรามีหลักพิจารณาอย่างนี้จะสบายบุญก็จะค่อยเกิดขึ้นจะค่อยรู้ค่อยเห็นเรื่อยๆไปทุกวันนี้บริษัทบริวารของเราทั้งหลาย คือภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระเนรอุบาสกอุบาสิกาบริษัทสี่ยังมีอยู่แต่ก็น้อยไปหมดไปเราสังเกตได้ไง่ายว่าทุกวันนี้นักบวช น, นักพรตที่เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราที่เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติอุชุปฏิปันโน ปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อผลทุกหาดูสิมีไหมทุกวันนี้เราอ่านธรรมะกันทางนั้นแต่เป็นธรรมที่แต่งขึ้นภายหลังเราฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไปเป็นอย่างอื่นอย่างบางตํารากล่าวว่าพระยาธรรมจะมาตรัสและนําตะแกรงทองคํามาร่อนเราก็เข้าใจว่าเป็นตะแกรงทองคําจริงๆ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแม้แต่เรื่องพระยาธรรมก็เช่นกันพากันเข้าใจว่าจะต้องคอยจนกว่าพระสีอริยะเมตไตรมาตรันอันนี้มันไกลไปไม่ใช่พระยาธรรมองค์นั้นในที่นี้ท่านหมายถึงจะมีครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาประกาศธรรมะมาช่วยบอกว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกเรียกว่าร่อน คนไหนปัญญาน้อยนึกไม่ถึงไม่เชื่อก็หลุดไปหลุดไปพระยาธรรมก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองคือธรรมะอันแท้จริงจะค่อยพ้นขึ้นมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจเจริญขึ้นมันก็เสื่อมเหมือนมะม่วงขนุนเมื่อสุกเต็มที่มันก็หล่นพอมเมล็ดถูกดินเป็นต้นงอกขึ้นมาใหม่อีกชั้นหน ธรรมะถ้าเสื่อมเต็มที่แล้วก็จะเกิดปฏิกริยาขึ้นมาสาวกของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่พระศาสนาของพระองค์ยังไม่จบสิ้นเป็นเหตุให้ก่อธรรมที่แท้จริงขึ้นมาประกาศได้เรียกว่านําตะแกรงทองคำมาร่อนคือนําธรรมะมาอธิบายแนะนําพร่ำสอนประชาชนพุทธบริษัทให้เกิดความเข้าใจผู้ที่มืดหนาปัญญาหยาบก็ไม่ค้าง เพราะไม่เชื่อไม่มีศรัทธาไม่ได้พิจารณาถ้าผู้มีบุญวาสนาพิจารณาดูมันจริงนี่คือผู้ที่ค้างตะแกรงของคาไม่ใช่ตะแกรงที่ทําจากไม้ไผ่ตามธรรมชาติบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจะมาชักจูงพวกเราทั้งหลายหมายความว่าธรรมะจะเจริญขึ้นจเจริญขึ้น ที่จมก็จมไปที่ฟูก็ฟูขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะหาที่พึ่งไม่ได้แล้วอย่างนักบวชนักพรตลูกหลานของเรามาบวชกันทุกวันนี้ส่วนมากก็บวชเจ็ดวันสิบห้าวันเท่านั้นแหละแล้วก็สึกไปสึกไปเลยไม่มีใครอยู่วัดวัดเลยไม่เป็นวัดเพราะไม่มีใครอบรมสั่งสอนกันไม่มีที่เกาะที่ยึดที่มั่นหมายเพราะขาดกรรมฐาน ขาดการภาวนาขาดการอบรมบ่มนิสัยมันขาดอย่างนี้เลยมีแต่เรื่องเดือดร้อนกระวนกระวายการบวชส่วนมากก็บวชกันตามประเพณีชั่วคราวทุกวันนี้วัดก็เลยเป็นเหมือนคุกเหมือนตารางเข้าไปเข้าไปก็ร้อนทันทีอยู่ไม่ได้ที่ที่มันเย็นเลยกลับเป็นที่ร้อนทุกวันนี้ที่ถูกก็เลยกลายเป็นผิดเพราะคนไม่ได้อบรมธรรมะ ดังนั้นพวกเราทั้งหลายจึงขอให้เอาไปพินิษพิจารณาให้มันดีๆทุกวันนี้นับวันจะยากเพราะโลกกับธรรมะมันแข่งกันฝ่ายโลกเขามีอะไรบ้างของกินมีหลายสิ่งหลายอย่างของที่จะฟังก็เยอะสิ่งที่จะดูก็เยอะแยะไม่เหมือนสมัยก่อนทีนี้หันมาดูทางธรรมะมีอะไรบ้างมีแต่เรื่องปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมี ปัญญาปรมัถบารมีฟังกันไม่รู้เรื่องมันจึงไม่เข้าถึงสันหลังของมนุษย์ทุกวันนี้เลยไม่รู้เรื่องรู้ราวความจริงเรื่องปัญญาบารมีก็รวมอยู่ในบารมีสิทธิมีทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจ์อธิิฐานเมตตาอุเบกขาบารมีเหล่านี้ท่านแจกออกเป็นสามหมวด คือบารมีอุปบารมีปารมัทธบารมีรวมเป็นบารมีสาสทัศน์ที่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตัดสรู้ต้องบำเพ็ญให้ได้ครบบริบูรณ์ทุกๆุกพระองค์ปัญญาบารมีก็แยกเป็นสามระดับเหมือนกับทานบารมีคือปัญญาระดับปกติธรรมดาระดับกลางและระดับสูงสุดตัวอย่างเช่นปัญญาระดับศีลขจัดกิเลสส่วนใหญ่ ปัญญาระดับสมาธิขจัดกิเลสส่วนกลางปัญญาระดับสูงขจัดกิเลสส่วนละเอียดแต่โดยมากฟังกันไม่รู้เรื่องจึงมักจะมีปัญหาเวลาทำบุญก็เหมือนกันนิมนต์พระไปสวดมนต์สวดมงคลสวดยังกระอึ่งร้องผู้ฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้อธิบายใคนฟังเข้าใจเลยเร่งให้พระสวดจะได้จบเร็วๆแล้วก็รีบกลับวัด เขาจะได้ฟังหมอหลำกันสนุกสนานเฮฮากันทั้งคืนมันจะเหลืออะไรพวกเราเพราะโลกนี้มันทับถมหมดแล้วลูกหลานของเราทุกวันนี้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะทันมารมเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงสอนกันไม่ฟังเพราะขาดธรรมะฉะนั้นผู้ที่จะได้มาอบรมบ่มนิสัยทุกวันนี้จึงหายา อาตมาถึงว่าญาติโยมเป็นผู้มีบุญมากที่มีวัดปฏิบัติอยู่ใกล้เหมือนกับเรามีทนายความไว้ประจำบ้านหรือมีแพทย์มีหมอประจำเรือนเมื่อตัวเราก็ดีลูกเมียพี่น้องเราไม่สบายก็จะได้ไปหาแพทย์หาหมออุ่นใจอันนี้ฉันใดความทุกข์ความไม่สบายความเดือดร้อนต่างๆเราจะได้หาโอกาสไปฟังเทศฟังธรรมตามกาลละเวลา อย่างน้อยเจ็ดวันครั้งหนึ่งก็ยังดีได้มาอบรมบ่มนิสัยมาได้ยินได้ฟังจะได้ทำลายความคิดผิดความเห็นผิดของเราตลอดจนลูกหลานของเราก็จะได้สร้างนิสัยปัจจัยไปในทางคุณงามความดีแม้จะความผิดมีอยู่ก็จะมีปัญญาพิจารณาเลิกละไปในวันข้างหน้าได้อย่างบ้านหาดเรานี้ อาตามาเคยมาสมัยก่อนได้ฝึกหัดเอาไว้ปัจจุบันนี้เด็กดีๆขึ้นเยอะพอเห็นพระประนมมือกันเป็นแทวแม้แต่เด็กยังไม่นุ่มผ้าก็ยังรู้จักประนมมือนี่ต้องหัดเอาฝึกเอามันได้ยินได้ฟังได้รับคำแนะนำพร่มสอนมันจึงเกิดมันจึงเป็นขึ้นค่อยฝึกค่อยหัดจากคนหนึ่งเป็นสองคนนานเข้าเลยเรียบร้อยสวยงามขึ้นมาทั้งนี้เพราะอาศัยการฝึกหัด อย่างนี้ท่านเรียกว่าอานิสง์ของการอยู่ใกล้วัดใจเราก็เหมือนกันเราฟังเทศฟังธรรมจึงเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาเวลากระทบสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็มีความรู้มีปัญญาพิจารณาการประพฤติปฏิบัติก็คือสิ่งเหล่านี้สิ่งไม่ดีที่เราทำมานานก็ค่อยละค่อยถอนมันไปเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติ การปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะนักบวชเท่านั้นในครั้งพุทธกาลอยู่บ้านอยู่เรือนก็เป็นผู้ถึงพระรัตนไตรถึงไตราสารณาคมเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนนาคามีมีเยอะแยะบางคนคิดว่าจะไปทําบุญให้ทานก็ไม่มีเวลามันยุ่งยากคนไม่รู้จักบุญบุญเป็นเรื่องสร้างคุณงามความดีให้เจ้าของ การสร้างความดีไม่เห็นยากอะไรอย่างเดินไปเห็นของเขานึกอยากจะได้แต่ไม่เอาเพราะกลัวความผิดกลัวบาปกลัวคุกกลัวตารางนี่ก็เป็นการสร้างความดีแล้วเป็นการสร้างความดีให้แก่ตนเองถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็ไปลักไปช่อโกองเขาก็เท่ากับสร้างความชั่วให้แก่ตัวเองมันบาปอยู่ตรงนั้นบุญอยู่ตรงนั้นและการปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นเห็นความผิดก็ไม่ทา ไปที่ไหนใจก็เป็นบุญที่นั่นมีความฉลาดอยู่ในจิตของตนเองอันนี้แหละท่านเรียกว่าทำรรย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วไม่ใช่ธรรมที่เราไปเรียนเอาวิชาอาคมได้มาแล้วก็บนก็เสกใส่ก้อนหินก้อนกรวดแล้วก็หวานไปให้มารักษาเราไม่ใช่อย่างนั้นที่ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว พระธรรมคือใจที่รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอย่างนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นรู้อย่างนี้ความผิดความชั่วก็ไม่กล้าทำทำไหมเพราะใจมันรู้รู้จักผิดรู้จักถูกนั่นคือธรรมะถ้าเราไม่ผิดไม่ทำผิดทำชั่วรรมะก็คุ้มครองเราใจเรานั่นแหละเป็นผู้รู้จักธรรมะนี่เรียกว่าพระธรรมย่อมตามรักษา เราปฏิบัติธรรมพระธรรมก็ตามรักษาเราใครไม่รู้จักธรรมะธรรมะก็ไม่รักษานี่เรียกว่าของรักษาของรักษาอยู่ที่ไหนอยู่ในธรรมนั่นแหละแต่คนเรามักเชื่อของรักษาในทํานองไสยศาสต ร, ร์โดยเฉพาะเมื่อเจอพระธุดงมักจะมีโยมไปขอของรักษาคือคาถาอาคมกันพูดผีปีาศาจเพื่อให้ตนแคล้วคลาดจากพยันตรายในทํานองเดียวกัน ก็มีการเอาอกเอาใจผีบ้านผีเรือนโดยการทำหิ้งบูชาซึ่งแฝงด้วยปริศนาว่าขันห้าขันแปดน่าจะมีความหมายว่าศีลห้าศีลแปดเพราะคนรักษาศีลศีลก็จะรักษาเขาเองแต่ก็เพี้ยนไปเป็นเรื่องผีสางเทวดาจึงต้องบูชาด้วยวัตถุโดยการเอาดอกไม้สีดำสีแดงไปกองเอาข้าวแห้งไปบูชาอยู่ทุกวันมีแต่หนูเท่านั้นแหละจะไปยันลงมาใส่หัวเวลากลางคืนนะ อันนั้นมันจะรู้อย่างไรว่าเราดีเราชั่วของอย่างนั้นมันจะรักษาคนได้อย่างไรรีบหรือทิ้งทำให้มันสะอาดและเอาพระพุทธรูปสวยๆไปใส่ไว้แทนจะดีกว่าของรักษาเราก็คือใจของเรารู้จักว่าอันนี้มันผิดตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำถึงท่านไม่บอกมันก็ผิดอยู่พยายามละอย่าทำอย่าพูดนี่รีกว่าพระธรรมใจเราที่รู้จักผิดรู้จักถูกนี่แหละ ธรรมะความดีของเรานี่แหละตามรักษาคือใจของเรามันสูงเองมันละเองประพฤติปฏิบัติเองอันไหนชั่วอันไหนผิดก็ไม่ทำนี่เรียกว่าพระธรรมตามรักษาไม่ใช่พระธรรมอยู่บนขันกระยองนะอันนั้นมันขันข้าวแห้งจะตามรักษาใครได้มีแต่หนูเท่านั้นแหละจะไปกินเรื่องมันเป็นอย่างนี้อามิสบูชากับปฏิบัติบูบชา อมิสบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของจะบูชาอะไรก็ได้ที่เห็นว่าเป็นคุณอย่างถ้าเราเป็นไข้ไม่สบายมีคนเอาอยู่ยามาให้ก็สบายเราจนมีคนเอาเสื้อผ้าอาภรณ์มาให้ก็สบายหรือเวลาหิวมีคนเอาข้าวมาให้กินก็เป็นบุญนี่คืออมิสบูชาให้คนไม่มีให้คนยากจนถวายของแกสมณชีพราหม์ตลอดจนถึงสามเณรตามมีตามได้ เป็นอามิสบูชาการปฏบิบัติบูชาคือการละความชั่วออกจากจิตใจอาการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูบชาให้พากันเข้าใจอย่างนั้นทีนี้ของรักษาก็คือใจของเราไม่มีใครมารักษาเราได้นอกจากเรารักษาเราเองพระอินทร์พระพรหมพญายมพญานาคทั้งหลายไม่มีถ้าเราไม่ดีแล้วไม่มีใครมารักษาเราหรอก พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเราทำผิดขนาดไหนก็ยังเรียกหาคุณครูบาอาจารย์คุณมารดาบิดาให้มาช่วยไปขโมยควายเขาก็ยังประนมมือให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยสาทุกขอให้เอาไปได้ตลอดรอดฟังเถอะผีบ้าใครจะตามรักษาคนชั่วขนาดนั้นท่านบอกว่าอย่าทำก็ไม่ฟังนี่คือความเข้าใจผิดของคนมันเป็นอย่างนี้มันหลงถึงขนาดนี้ จะว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ดูเจ้าของเรานี่แหละเป็นผู้รักษาเจ้าของอัตตาหิอัตโนนาโถโกอหินาโถปรโรสิยาเราเป็นที่พึ่งของเราเองคนอื่นเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เราต้องทาเองสร้างเองกินเองทำผิดแล้วทำถูกเองทําชั่วแล้วละเอาเองเป็นเรื่องของเจ้าของท่านจึงบอกว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันถูกที่สุดแล้วเรามัวแต่ไปหาของดีกับคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนแล้วสอนอีกสอนให้ทำเองปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าท่านแนะนำชักจูงอย่างนี้อย่างทุกวันนี้พอญาติพี่น้องตายท่านว่าให้ชักจูงเราก็เอาพระไปจูงเอาฝ้ายต่อไหมเอาไหมต่อฝ้า ย, าายดึงกันมานุงมนั่งเข้าป่าชาโน้นไม่ใช่จูงอย่างนั้น อาตมาว่ารีบผานไปเร็วๆนั่นแหละดีมันจะได้ไม่หนักบางทีก็ยุ่งอยู่กับจัวน้อยเน่นน้อยพรุงพรังอยู่กับจีวรเด็กตัวเล็กๆกําลังเลี้ยงควายอยู่ก็เรียกมาบวชบวชจูงพ่อจูงแม่จูงก็จะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหิวข้าวหิวน้ําร้องไห้นั่นไปจูงกันอย่างนั้นนี่แหละคือความเห็นผิดเรื่องการชักจูงก็เหมือนกับอาตมากําลังจูงอยู่เดี๋ยวนี้แหละ คือการแนะนำพร่ำสอนบอกทางไปสวรรค์บอกทางไปนรกให้แนะนำให้เลิกสิ่งนั้นให้ประพฤติสิ่งนี้อย่างนี้เรียกว่าชักจูงแนะนำพร่ำสอนจูงต้องจูงในขณะยังมีชีวิตยอยู่นี่แหละให้ไปคิดพิจารณาเอาไปภาวนาดูว่ามันถูกไหมถ้าสงสัยก็มาฟังอีกจะบอกให้ชี้ให้แนะนำพร่ำสอนให้นี่เรียกว่าชักจูงคนไม่ใช่เอาไหมต่อฝ่ายเอาฝ่ายต่อไหมจูงกันวุ่นวาย ไม่ได้ความอะไรมันน่าหัวเราะจูงอย่างนั้นมันจูงไม่ได้บางทีก็เอาเข้าวตอกมาหวานในขณะจูงศพไปป่าชะโดยมีความเชื่อว่าพวกผีหรือเปรตที่คอยรับส่วนบุญมีอยู่เพื่อจะไม่ให้พวกนั้นรบกวนผู้ตายจึงมีการหวานข้าวตอกไปด้วยความจริงบรรพบุรุษท่านสอนว่าคนเราเหมือนข้าวตอกเวลาหวานไปมันก็จะกระจัดกระจายไปเหมือนสังขารร่างกายนี้ มีลูกมีเมียมีลูกเต้าเหล่าหลานมีเนื้อมีหนังมีแขนขาหูตาเป็นต้นผลสุดท้ายก็กระจัดกระจายกันไปอย่างนี้แต่กระสานสร้างเซนไปตามสภาวะเกิดในโลกนี้มันก็มีแค่นี้เหมือนข้าวตอกดอกไม้นี่แหละที่ริเร่ราร่าไปตามดินตามหญ้าสังขารร่างกายนี้มันก็แค่นี้ท่านให้พิจารณาอย่างนี้แต่เราก็มาหว่านให้ผีกิน ไปคนละเรื่องอีกแล้วเรื่องเหล่านี้พิจารณาให้มากๆหน่อยพิจารณาให้ดีถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วสบายนี่แหละการประพฤติปฏิบัติมันถึงต่างกันถ้าเรานำไปพิจารณาแล้วจะเห็นเห็นได้จริงๆเห็นในใจของเรานี่แหละและมันจะค่อยสว่างขึ้นค่อยขาวขึ้นค่อยรู้ขึ้นมาเหมือนกับเราเรียนหนังสือ แต่ก่อนกว่าจะรู้อะไรครูจับไปเขียนกอขอไม่รู้เขียนอะไรไม่รู้เรื่องแต่ก็เขียนไปตามครูพอเขียนพยัญชนะได้ก็เขียนสระอาสระอิสระอีแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกขีเกยียดก็ขีเกยียดพอเขียนเป็นแล้วก็เอาพยัญชนะกับสระมาผสมกันเอาสระอาใส่ตัวกออ่านว่า ก, กาใส่ตัวขออ่านว่าขาว่าไปตามครูเรียนไปศึกษาไปต่อมาก็เลยรู้เรื่อง เลยกลายเป็นคนอ่านออกเขียนได้อันนี้เราลองพิจารณาดูการที่จะรู้จักบุญรู้จักบาปตอนแรกก็อาศัยคนอื่นนี่แหละต่อไปมันจะรู้เองท่านจึงว่าความดีความชั่วอยู่ที่ตัวเจ้าของแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เอาให้ใครไม่ได้ให้ได้คือบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติไปตามศรัทธาจะเป็นประโยชน์แก่เรามาก อย่าพากันหลงงมงายให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พูดถึงพระรัตนตรยัยไม่ต้องถือพูดผีปีศาจอย่างอาตมาไปภาวนาอยู่ที่ไหนก็สบายด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเชื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองเชื่ออย่างไรเชื่อว่าไม่มีตรงไหนที่พระองค์สอนให้คนชั่วสอนให้คนทำผิดไม่มีในสูตรในตำราไหนก็ไม่มีอาตมาอ่านแล้ว ถึงว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้เลิศประเสริฐจริงๆอาตมาเชื่อท่านท่านว่าให้สอนตนเองให้พึ่งตนเองก็พึ่งตนเองจริงๆทำตามท่านไปทำอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ในถ้าในป่าในเขาจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรสบายเพราะความซื่อสัตย์สุดจริตนี่แหละเลยเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเองนี้ถูกแล้วเราก็เหมือนกัน แม้จะเป็นคาราวาสอยู่บ้านครองเรือนก็อย่าพากันสงสัยอะไรเพราะความดีความชั่วอยู่ที่ตัวเราอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองค่อยทำไปดูแต่หินก้อนใหญ่หญทุบไปเรื่อยๆมันก็แตกพวกเรายังไม่รู้ค่อยสอนค่อยปฏิบัติก็จะรู้ขึ้นมาได้ชีวิตคนเรามันไม่นานนะการละเวลาไม่อยู่ที่เดิม วันนี้มันก็กินไปแล้วหมดไปแล้วกินไปตลอดวันตลอดคืนกินไปเรื่อยๆมันไม่หมดไปเฉพาะเดือนเฉพาะปีเท่านั้นสังขารเราก็ร่วงโรยไปด้วยเช่นผมเดี๋ยวนี้ผมยังไม่งอต่อไปมันก็จะงอมันจะแก่หูแก่ตาแก่เนื้อหนังมังสาไปด้วยแก่ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละท่านถึงว่าความเกิดแก่เจ็บตายมันแก่ไปตายไป ฉะนั้นขอให้พากันเชื่อมั่นในตนเองยึดเอาคุณพระศีรัตนไตรผู้เข้าถึงก็รัตนไตรไม่มีอะไรจะมาทำร้ายได้นี่แหละการทำให้ทำความเพียรวันนี้ไปถึงบ้านก็ให้ทำบางทียุ่งกับลูกหลานมากๆนอนตื่นแล้วก็มานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ถ้าจิตสงบแล้วก็เรียกว่าใกล้พระนิพพานนี่แหละเรื่องภาวนา ไม่ใช่ภาวนาอยู่แต่ในวัดอยู่บ้านเราก็ทำได้ว่างๆเราก็ทำแม้จะทำมาค้าขายทำนาทำไร่ก็ทำได้หรือแม้แต่ขุดดินถอนหญ้าเวลาเมื่อยเข้าไปพักใต้ร่มไม้ก็ทำได้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็จะได้ดีจนได้มันระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วตั้งจิตพิจารณาพุทโธพุทโธพุทโธสบายนี่เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอน ให้พากันจดจำมาไว้สอนไปมากก็มากเดี๋ยวบุญจะหมดให้ดูที่เรานะอย่าไปดูที่อื่นมันจะดีจะชั่วให้ดูที่ตัวเรานี่แหละคำแนะนำพร่ำสอนวันนี้ให้เอาไปคิดพิจารณาดูค่อยทำไปดูวันละนิดเดี๋ยวมันก็สะอาดรอกวันนี้เชื่อว่าพวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญทานรักษาศีลได้เจริญภาวนาได้ฟังธรรมเทศนาหลายอย่าง เท่านี้ก็เป็นบุญแล้วหลักได้สร้างบุญแล้วได้ความเข้าอกเข้าใจแล้วต่อไปเราจะไปทำภารกิจการงานที่บ้านไหนเมืองไหนภาวะที่อาตมาได้พูดได้กล่าวไปนี้มันจะถูกอยู่หรอกมันจะค่อยๆรู้จักไปอ่าวันนี้สมควรแก่เวลา